ที่พวกเราฟังจบรงสักครู่นี้คือเกี่ยวกับวินัยวินัยบัญญัติที่พวกเราสวดทุกส5้าวันคือวินัยมาในพระปฏิโมกวินัยบัญญัติมาในพระปฏิโมกแต่เมื่อเราฟังพระปฏิโมกเป็นภาษาบาลีแต่พวกเราฟังเมื่อกี้เนี่ยเป็นภาษาไทยนะแปลจากภาษาบาลีแต่พวกเรา ที่เขามาบวชใหม่ก็คงจะไม่เคยชินกับภาษาหรือว่าศัพท์ที่พวกเราได้ยินได้ฟังผมว่าหลายศัพท์ที่พวกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างขนเกมอย่างเนี้ยขนเกมก็คงจะเป็นขนเนี้ยขนสัตว์ที่มืออินเดียขนที่เป็นผลสัตว์ประเทศหนาวน่ะที่มาจะทําสันทัดสันทัดก็คืออาสนะนะ ถ้าว่าเราหล่อสันทัดเนี่ยคือหล่อสันทัดด้วยขนเจียมดำล้วนต้องปาจิตติว่าสันทัดหล่อสันทัดด้วยขนเจียมดำล้วนภิกษุที่จะหล่อสันทัดเพิ่งตัดเอาสันทัดเก่าคืบหนึ่งโดยรอบมาปนลงในสันทัดที่หล่อใหม่เพื่อจะทําลายให้สีเสียคือสรุปแล้วก็คือไม่ให้สูตรศาสตร์สวยงาม แล้วเอาต่ของใหม่มันของราคาแพงมันหายากน่ะลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่ตามม่จริงยุคนี้สมัยนี้เขาว่าสรรถตัดตรงนั้นน่ะมันหมดยุกหมดสมัยไปแล้วแต่ว่าถ้าจะว่าไปแล้ววิยัยข้อนั้นเรียว่าสิ่งนั้นเป็นที่นิยมในยุคสมัยนั้นมายุคสมัยนี้ไปว่าขาดการนิยมไปแล้วเพะงั้นน่ะขาดการนิยม ที่จะมาใช้ในยุคสมัยนี้แล้วนั่นคือการนิยมของคนมันเป็นตามยุคตามสมัยอย่างที่พวกเราเห็นนั่นแหละยุคสมัยหนึ่งก็ะแต่งตัวอย่างหนึ่งยุคสมัยหนึ่งก็ะแต่งตัวอย่างหนึ่งอันนี้พระวินัยของลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันแต่ถึงยังไงพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วจะไม่ถอนให้เอาไว้อย่างนั้นเพราะว่า มายุคนี้สมัยนี้เออไม่มีความจําเป็นแล้วในยุคสมัยนี้เราถอนจ้ะกระทาให้พอไปอีกยุคหน้าอีกถอนอีกไปยุคหน้าอีกถอนอีกผลที่สุดพระวินัยของพระพุทธเจ้าหรือศีลของพระเนี่ยจะไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะว่าต่างคนก็ต่างถอดต่างถอนเพราะาเห็นว่าไม่จําเป็นสําคัญในยุคของตนแต่ว่าเมื่ออีกสักครั้งหนึ่งต่อไปภายภาคหน้า วินัยนี้อาจจะฟื้นคืนขึ้นมาอีกก็ได้คือยุคนั้นก็อาจจะมีความจําเป็นจะต้องไใช้อย่างนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือพระวินัยที่พวกเราได้อ่านให้พวกเราฟังสักจบลงสักครู่นี้นะคือพระวินัยปัญญ์ยเพราะฉะนั้นพวกเราที่เข้ามาศึกษาผู้ใดก็ตามถ้าหากว่าไม่สนใจในการฟังนะไม่สนใจในการคิด ไม่สนใจในการถามไม่สนใจในการขีดเขียนผู้นั้นจะเป็นผู้ฉลาดจะเป็นบุคคลที่ฉลาดไม่ได้พูดอย่างนั้นต้องเป็นผู้สนใจในการฟังในการถามในการคิดในการเขียนจึงจะเป็นบุคคลที่ฉลาดขึ้นมาได้ เพราะนั้นอย่างพวกเราฟังเมื่อกี้เนี่ยฟังไปก็เพื่อประดับสติปัญญาของพวกเราเพราะว่าอาศัยการได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนจากท่านเมื่อเมื่อเราสนใจหรือว่าเมื่อเราสงสัยในหลักพระธรรมวินยัยข้อไหนเราก็จะได้ค้นคว้าได้อันดับแรกกค้นคว้าเนหนังสือที่พวกเรา ได้อ่านวันนี้คือนวโกวาทวินัยบัญญัติถ้าว่าเราจะจะฟังให้ละเอียดลงไปกว่านี้ก็มีวินัยมุกเล่มหนึ่งที่อธิบายเนื้อความในนวโกวะวัดเป็นสิกขาบทสิกขาบทออต่อไปอันนี้ก็คือขยายความจากนวโกวาทแต่ถ้าหากว่าอยากจะให้ละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีกเราก็ดูในพระไตรปิฎกทีนี้ ต้นบัญญัติเป็นมาอย่างไรแต่วินัยแต่ละข้อวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไงอันนี้เราจะได้จะได้รู้ว่าวินัยอย่างพิกษุแกล้งฆ่าสัตว์ต้องปาจิตติย่งังไงสมัยก่อนก็ไม่มีใครที่จะฆ่าสัตว์มีพระองค์หนึ่งท่านสมัยก่อนท่านก็ เก่งทางดีดก้อนหินเหมือนนะเดีดก้อนหินจะดีดไปที่ไหนให้มันถูกยังไงก็ได้เพราะท่านเคยเก่งทางดีดก้อนหินมาแล้วเหมือนกระดีดยางจะติ๊กอย่างนี้แหละท่านก็คุยเวลาไปอาบน้าในท่า น, น้าอเจลวัตีพระนั่งด้วยการเห็นหงพวกหงมันบิดมาปิดฝูงเป็นฝูงมาทางอากาศ โ อ, อ่งนี่ก็คุยแล้วว่างั้นหงงนี่ น, นนะแอ่ถ้าว่าผมจะดีก้อนขวดใส่ลูกกระตามันก็ถูกนะอผมดีดขึ้นไปเนี่ยถูกได้ลูกกระตามมันเออพระบอกวนะ่าเอ้ยอย่าขี้คุยนี่ไปดีดถูกได้ยังไงมันอยู่บนฟ้าอากาศเอ้ยผมเคยดีดมาแล้วถูกเนะี่ยจะเอาข้างไหนแล้วเอาข้างไหนก็ได้เอาเอาข้างขวาก็แล้วกันนะคือเขาอยู่อยู่ข้างซ้ายนะ ใช่ครับวัดดีปบมันจะแข่งขวามาเมือนกันน่ยจะดีดใส่ตาลูกหงทางขวาเลยไหมเก่งขนาดนั้นล่ะคนเรามันเก่งต่างกันเลยคนหนึ่งเก่งทางหนึ่งคนหนึ่งเก่งทางหนึ่งเหมือนกับหมออะไรนั่นน่ะไม่ใช่เก่งทางเดียวกันเก่งคนละทางกันอันนี้ก็เก่งทางดีดลูกกวดอพอตบมือป๊อเนี่ยหงมันก็ตื่นใช่ไหมมันมันบินมาเลยมันก็จะแข่ง ตาฟับมาจานไดกระดีดก้อนขวดขึ้นไปประสานขึ้นไปไปถูกอีกตาข้างหนึ่งเอะไราะงั้นเถอะที่พระองค์นั้นบอกนั่นนะ เ, เดีด๋ยวโป้อะไรก็ขึ้นไปก็ติดเข้าลูกกระตาหงุหงิะนั้นก็ทลาตกลงมาแล้มันก็ตายเลยกระไรตายที่ทพิกษุทั้งหลายก็บอกโอ้โหทําไมพระไม่มีคุณธรรมไม่ไม่มีศีลธรรมเลยทําไมไปฆ่าโหง มก็ไม่ได้ทำอะไรทำไมจะฆ่าสัตว์แต่คราวาดเขามีคุณธรรมเขาก็ยังฆ่าไม่ได้แต่องค์นี้ทำไมไปฆ่าสัตว์พระสงฆ์ก็ได้พลธนาตีเตียนไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปบัญญัติวินัยขึ้นมาเธอได้ทำอย่างนั้นจริงไหมจริงพระเจ้าข่าเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงเธอไม่มีเมตตาในจิตใจเเลย ผู้เขาเออเป็นพระบาทมีคุณธรรมเขาก็ยังไม่ทําที่เธอทําไปเนี่ยไม่เป็นที่เลื่อมใสของบุคคลที่เขาเลื่อมใสเออในพระพุทธศาสนาถ้าคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็คลายศรัทธาไม่เลื่อมใสคนที่ไม่เลื่อมใสอยู่แล้วก็ยิ่งไม่เลื่อมใสเพราะฉนั้นเธอเป็นโมฆะบุรุษไม่ควรจะทําอย่างนี้จากนั้นก็บัญญัติฟินยัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสงไรก็ตามฆ่าสัตว์เจตนาฆ่าสัตว์แกล้งฆ่าสัตว์หรือมีเจตนาในการฆ่าสัตว์ให้ตายต้องปลายจิตตีนี่นี่แหละคือบทวินัยบัญญัติอันนี้ยกตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวนะและ้วตัวอย่างทั้ง227ข้อนะมีตัวอย่างทั้งหมดถ้าพวกเราได้ศึกษานะอย่างเพลกซ์สูดดื่มน้ำเมาต้องปลายจิตตี แก็มีพระเถระท่านหนึ่งท่านก็เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เป็นที่ยอมรับชื่อเสียงโด่งดังในยุคสมัยนั้นจากนั้นไปท่านก็เป็นมีอิทธิฤทธิ์โลกียะเหมือนกันเถอะท่านมีฌานมีโลกียะฌานไปนทรมานใครก็ได้แสดงฤทธิ์ได้เหมือนนเถอะคนทั้งหลายก็เห็นเห็นอิทธิฤทธิ์ของท่านเหมือนกับ ท่านเป็นคนหมอดูหมอเดาหมออะไรลักษณะอย่างนั้นแหละเอ่ไ้ค่าบอกเป็นที่ยอมรับเป็นที่คนนับถือเลื่อมใสแล้วก็มีพระนายหน้าพระทนะยมันงั้นเถอะเอไม่ไม่ใช่ ท, ทนายทะนะยงั้นแล้วก็เดินไปบอกก็ญ า, าติโยมเอญาติโยมท่านอาจารย์ของข้าหนึ่งเอต้องการดื่มสุราแต่รถหนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้สี เท้านกพิราบสีแดงต้องการน้ำสุราสีแดงเหมือนเท้านกพิราบคนทั้งหลายเขาก็เห็นว่าอาจารย์ในเขาก็เลื่อมใสก็เอาสุรามาให้คนนั่นกับแก้วหนึ่งคนนี้กับแก้วหนึ่งว่างั้นเถอะไปบ้านไหนเขาก็เลี้ยงสุราพ่อทะนะเป็นผู้บอกล่วงหน้าไปก่อนพอกินเข้าไปสองสามแก้วเท่านั้นแหละเทนี้บริการกัน บ, บาทก็ตกไปดังหนึ่ง ตัวเองก็ล้มไปทั้งหนึ่งไปคนละทิศทางกันพระสงฆ์ก็เห็นโอ้ยพระเมาเล่า น, ะ น, นี่อันนี้คือต้นบัญญัติพระเมาเล่าอยู่ในบ้านจากนั้นเขาก็หามมาหา ม, มาวัดป่าเชตตะวันพระพุทธองค์รู้พระุธองค์ก็เดินไปไปดูว่าพิกสุทธ์ทั้งหลายเป็นอะไรมีอะไรบอกว่าพระองค์เนี้ยท่านอาจารย์องค์นี้เข้าไปในบ้านไปกินเหล้าเมาครับผมพระพุทธองค์บอกว่าท่านองค์นี้ท่าน มีชื่อเสียงยังไงว่าพระทั้งหลายก็เพราะว่าท่านมีชื่อเสียงเป็นท่านได้โลกียะโลกิยะฌานแล้วก็แสดงริดสู้กับพญานาคจนเป็นที่เลื่องลือกันคนทั้งหลายรู้จักว่าท่านเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เลื่องลือเป็นผู้ชนะพญานาคท่านญาติโยมทั้งหลายก็เห็นบารมีของท่านเขาก็เลยเข้าไปในบ้านเขาก็เลยเอาต้องการอะไรเนี่ยพระ ก็แนะนําว่าให้เอาสุราถวายท่านท่านก็เลยดื่มสุราก็เลยเมาอย่างนี้เรพไปเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพิษสูทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าพระองค์นี้เมาอยู่อย่างเนี้ยจะหามไปสู้กับงูเลือนคืองูไม่มีพิษ ง, งูอยู่ตามเรือนตามบ้านตามเรือนงูไม่มีพิษจะสู้งูเลือนได้ไหมไม่ได้พะเจ้าค่ะ คนนั้นจะไปสู้พญานาคได้ยังไงใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะขนาดงูเลือนก็ยังสู้ไม่ได้จะไปสู้กับพญานาคใต้ยังไงเนี่ยพราะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพิษสูดใดก็ตามดื่มสุราต้องปาจิตตินีอันนี้แหละไอคือมีเหตุซะก่อนจะค่อยมีผลออกมาในการบัญญตัติเหมือนกับบัญญัติกฎหมายอย่างนั้นอ่ะเนี่ยพราะนั้นที่พวกเราได้ฟังเนี่ยถ้าว่าพวกเราสนใจว่า วินัยแต่ละข้อนี้เป็นมาอย่างไรพวกเราให้อ่านต้นบัญญัติในพระไตรปิฎกเราจะรู้ได้ทั้งหมดว่าวิญัยสิกขาบทที่หนึ่งบาลชิก4ีใครเป็นคนกระทํากระทําที่ไหนเพราะเหตุไรทําไมพราะพรทีเจ้าบัญญัติวินัยสลับซับซ้อนอนุบัญญัติที่ปีกย่อยออกมามีกี่ข้อมีกี่ขกขแขนงพวกเราจะรู้ได้อันนี้ก็คือวินัยนะ วินัยก็คือศีลของพระนั่นเองสรุปแล้ก็คือศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลนี่ที่พวกเราอ่านเมื่อกี้นี่ก็คือเรื่องของศีลทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อได้ฟังแล้วได้ศึกษาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจให้อยู่ในกรอบของศีลและวินัยถ้าว่าพวกเราไม่อยู่ในกรอบของศีลไม่อยู่ในวินัยแล้ว พวกเราเป็นพระที่เป็นพระที่ทุศินหาศินไม่ได้หาความสวยงามไม่ได้หาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้อันนั้นแปลว่าเป็นพระที่นอกฤทธิ์อชีไม่มีความละอายต่อความชั่วอันนี้แหละว่าพระพุทธเจ้าตำหนิอย่างแรงทาาพระไม่มีศินเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเมื่อรู้ บบติดขัดหรือวินัยแล้วก็ให้พยายามรักษาศิ่งให้บริสุทธิ์หรือไม่รู้เราก็พยายามศึกษาให้รู้หรือท่านผู้รู้แล้วเห็นเรากระทําผิดแล้วก็บอกเราแนะนําเราเราก็จะไปอย่าไปโกรธให้ท่านเราก็ยินดีรับคําแนะนําของท่านเพราะเราไม่รู้มีอีกตั้งมากถ้ามีคนรู้แล้วมาบอกให้เรา เราปฏิบัติตามที่ท่านแนะนํานั้นนั่นแหละผู้ที่บอกความผิดให้แก่เรานั้นเป็นผู้มีบุญคุณพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับพูดชี้ขุมทรัพย์ให้บุคคลชี้ความผิดของเราเหมือนกับบุคคลผู้นั้นชี้ขุมทรัพย์ให้แก่เราเราจะไปถือโทษโกรธเคืองเราจะไปถือบุคคล น, นั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณสําหรับเรา อย่างนั้นแปลว่าบัณฑิตนักปราดแบบนักปราดต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นภารชนเป็นคนพาลแล้วก็นั่นแหละ ه, เขาแนะนําสั่งสอนหน่อยหนึงกับโมโหโทโซโกธาตาแดงขึ้นมาโกรธให้เขาอันนั้นแปลว่าภาระชนโมฆะภิกษุไม่ใช่ผู้มาศึกษาถ้าเป็นผู้ศึกษาแล้วต้องยอมรับเหตุและผลแล้วก็ผู้เตือนก็เหมือนกัน เตือนกันด้วยความหวังดีเตือนกันเหมือนกับพี่น้องที่อยู่ด้วยกันเออเหมือนกับเราไปเห็นอสรพิษเนะี่ยเอองูอยู่ตรงนั้นแต่เราเห็นแหละแต่เพื่อนไม่เห็นเราก็ทำท่าเฉยแล้วแต่มันจะฉกอันนั้นจบบนัดฝั่งบุคคลคนนั้นจะว่ายอย่างไอตัวเองเห็นก่อนแล้วอสรพิษมันจะฉกองนั้นอสรพิษที่ร้ายกาศ มันอยู่อยู่ในนั่นแต่องค์นี้ไม่บอกและเป็นยังไงแต่ถ้าองค์นี้เห็นแล้วอสรพิษนั่นนะอยู่ตรงนั้นนะให้ระวังนะท่านนะอย่าไปใกล้นะตรงนั้นเป็นอสรพิษนี่มันอยู่ในนั่นเห็นไหมนั่น อ, องค์นี้ก็เห็นในเมื่อเห็นแล้วเราจะว่ายอย่างไงเราจะไปตาําหนิให้คนที่บอกมึงบอกกูทําไมกูจะเข้าไปให้อสรพิษกัดกูอยู่แล้วกัดข่าอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอใครจะไม่รักชีวิตของตนเองในเมื่อเขาบอก ว่าสรพิษอยู่ตรงนั้นเหตุร้ายอยู่ตรงนั้นเหตุที่ไม่ดีอยู่ตรงนั้นในเมื่อเขาบอกให้อย่างนั้นเราก็ต้องยกมือท่วมหั ว, หวสิสาธุขอบคุณบอบขอบุญขอบคุณมากๆครับที่ท่านชี้สิ่งที่อันตรายให้แก่ข้าพเจ้าคือรวาลังต่อลังแตนหมดเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะจะไปนะอันตรายนะต่อยนะอย่างนี้เราคนน้พร้อมที่จะขอบบุญขอบคุณแก่คนคนนั้นมันจึงจะถูกนะ ไม่ใช่ว่าเขาบอกได้ลองต่อลองแตงอยู่ตัว น, นั้นจะไปด่าเขาอีกเออบอกค่าทําไมแหงฆ่าไปแล้วเพื่อจะให้ต่อแตนต่อยหัวค่าอยู่อย่งนั้นเหร อ, อถ้าเป็นอย่างนั้นเด็กถ้าไม่ทําไมว่าบ้ากบอะไรอ่างนั้นเด็กทีนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นแหงเพราะฉะนั้นผู้ที่บอกเรื่องหายนะบอกสิ่งที่ไม่ดีให้แก่เร า, เ, าเราก็ควรจะน้อมรับในเมื่อท่านเหล่านั้นบอกด้วยเจตนาดีนะ ผู้บอกนันก็คือเจตนานดีือกลัวคนนี้จะไปเป็นอันตรายนะเพราะฉะนั้นนี่การศึกษาธรรมะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่เข้ามาบวชถึงจะมีเวลาน้อยกอ็ให้ตั้งอกตั้งใจในการศึกษาผมเองเมื่อพวกเราเข้ามาศึกษาแล้วนะอย่างพระนวกกะที่เข้ามาผมว่าถ้ามีโอกาส ควรจะทดลองในการอดอาหารดูนะอันนี้คือการแนะนำแต่ผมไม่ได้ไม่ได้บอกว่าต้องอดอาหารไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการแนะนำทดลองอดอาหารดูซินะเพราะว่าการอดอาหารมันจะเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราต่อไปภายภาคหน้านานเท่านานเพราะเราจะรู้ว่าการขันติคือความอดทนของเรานะ่ะมีมากน้อยอย่างไรแค่ไหน เพราะว่าเราทดลองอดอาหารดูวันสองสามวันแหมทำไมผลผมอดผมบอกอย่างนั้นแหมหลวงพ่ออินขี้หวงอาหารเหรอไม่อยากจะให้หมูพวกเพื่อนทานอาหารเหรอแอย่าไปคิดอย่างนั้นแหอผมไม่เคยหวงห้ามเรื่องสิ่งเหล่านั้นแต่ผมแนะนำให้อดดูแแล้วผมเคยอดมาแล้วถึงยี่สิบห้าวัน อดมากที่สุด15วันเป็นธรรมดาเวันเป็นธรรมดาสีหวันเป็นธรรมดาสิวันเป็นธรรมดาเอออดถึงมากที่สุดผมเคยอดถึงยีหวันในการอดอาหารแต่ในการอดอาหารเราจะไปตั้งสัจจะในการอดข้าพเจ้าจะอดอาหาร5วัน7วัน4วัน3วันเราไปอยากไปตั้งสัจจะเราว่าจะทดลองอดอาหารดูเพื่อภาวนาในขณะที่อดอาหาร ข้าพเจ้าจะไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกจะไม่ให้ปุ่มฟุง้งซ่านจะให้จิตใจอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเพราะเราจะทดลองดูเราจะเอาชนะกับใจตัวเองดูฮะเนีจากนั้นพออดตอนเช้ามาเราไม่ได้บินเท่าไไม่ต้องบินเท่าไหรไม่ต้องออกมาจุ่งเยงอุวนวายเนตื่นเช้ามาก็ไปอาบน้ําแต่เช้าก็ได้อาบน้ำชำระกายให้เรียบร้อยหลือนั่งภาวนาเดินโยกรมให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุด ในขณะที่อดอาหารคือเป็นกรณีพิเศษตะก่อนเราปล่อยจิตปล่อยใจในระดับหนึ่งแต่ในขณะที่อดอาหารเนี่ยแปลว่าเข้าไปนึอยู่ในสนามรบแบบตะลุมบอล เ, เหมือนกันเถอะเหมือนกับเข้าไปโคกวงใ น, น, เ, ใน เ, เหมือนกันเถอะตีวงในเหมือนกับฟุตบอลอยู่ปว่าเข้าไปตะลุมบอลกันแล้วเหมื้นกันเถอใครดีใครอยู่เหมือนกันเถอในขณะนั้นใครมีไหวมีพลิกก็คนนั้นชนะเอาเหมนกันเะ อันนี้ก็เหมือนกันในขณะที่อดอาหารเราควรจะเป็นอย่างนั้นเอาชิงชนะกับกิเลสคือไม่ให้ปล่อยจิตปล่อยใจไม่ให้เออแล้วเหยลอยลมคิดปุ่งฟุ้งไปข้างนอกให้อยู่กับกรรมฐานขาขวาพุทขาซ้ายโทเวลขาขณะที่เดินเราอยู่เฉยๆก็กหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโทรเราปัดกวาดการเคลื่อนไหวของเราอากับกิริยาของม่ร่างกายของเราเราเคลื่อนไหวยังไง ให้มีสติจับอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เผเลออ่างนั้นเถอะแต่ถ้าว่าเราอดอาหารไปแล้วมันเอาไม่อยู่นะมันปุงฟุ้งออกไปข้างนอกรีบมาฉันนะอย่าไปอย่าไปอดต่อรีบมาฉันจะ้ะพุงนี้ออกมาฉันแต่ถ้าว่าจิตใจยังสบายเอาอดอาหารทดลองดนะูการอดอาหารผมว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นหมอนะบางทีเราเข้าห้องผ่าตัดอย่างเนี้ย บางทีเราไม่ได้ทานอาหารเที่ยงอย่างนี้เพราะมันผ่าตัดยังไม่เสร็จจะต้องเลดไปอีกบ่ายสองลรบ่ายสามโมงเพราะมีความจำเป็นเราก็จะไม่เดือดร้อนเอยสมัยเราบวดเน่ยเราอดอาหารถั้งสามสี่วันได้สบายทำไมเราไม่ทานอาหารเที่ยงเพียงครั้งเดียวมันคงไม่ตายแน่มันคงไม่เกิดอะไรแน่พอเราอดอาหาร เมื่อเราบวชสมัยเราบวชทั้งสามสี่หวันเรายังอดได้สองสามวันอดได้เราไปทานอาหารตามเวลาเพียงมื้อเดียวไม่น่ามีปัญหาอันนี้ผมว่ามันจะเกิดประโยชน์สาหรับพวกเรานานเท่านานแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เคยอดอาหารเลยนะไม่เคยอดอาหารเลยพอเราพลาดอาหารเที่ยงเท่าเองอารมณ์ฉุนเฉียวมันจะเกิดขึ้นเออมันมองเห็นอะไร มันโมโห โ, โ, โทโรโกสภาไปหมดว่างั้นแทะทำงานก็ไม่ทํางานผู้ที่อยู่ใกล้เห็นก็น่ากลัวเพราะว่าอารมณ์โกรธพราไม่ได้ทานอาหารเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมว่าอยากจะให้แนะนําพวกพะลูกพะหลานทดลองดูนะเพื่อความอดทนทดลองความอดทนของตนเองเพราะเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าอย่างผมนี่เหมือนกันนะ ผมเน่ยไม่ได้เดือดร้อนกับอาห์อาหารถ้าบอกไปพลาดไปบ้างไม่เป็นไรเนี่ยพอคิดว่าเราอดอาหารมาตั้งหลายวันเราจะงอดตด้เนี่ยพลาดไม่เป็นไรชัดก็ได้ไม่ได้ชันก็ได้ไม่เป็นไรให้ใคล้เรื่องการอยู่การกินเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสําหรับเราพอเราเคยสู้มาอย่างทรหดแล้วเนีเพราะนั้นการอดอาหารนี่ก็เป็นสิ่งที่ น่าศึกษาแต่พระพุทธเจ้าท่านว่าทำไมพระท่านอาจารย์จึงให้ทดลองอดอาหารทั้งๆที่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าไว้แล้วในทรมาจา ก, กระเพาวัตรนราสูตรว่าการมสูุขันลิกาอัตตะกิลมัถามัชิมาปฏิปทาอัตตะกิลมัทถาก็คือการทรมานกายให้ลำบากเปล่า กา ม, มาสุขันธิกาก็คืออยู่แบบไม่ฝึกหัดไม่ฝึกฝนเลยอยู่แบบกินสบายนอนสบายอันนี้แปลว่าการ ม, มาสุขันลิกาไม่มีการฝึกหัดดัดนิสัยตัวเองมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเดินจกบนั่งสมาธิภาวนาไม่ไม่ทรมารร่างกายให้ลำบากแต่ที่แนะนำทือว่าให้อดอาหารนั้นไม่ใช่ผมแนะนำให้ ตรงในอัตกิลมถานคาว่าอัตกิลมถานนั่นน่ะที่พระพุทธเจ้าอดพักกาอาหารถึง49วันพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้คิดอะไรพิธาอดอาหารอย่างเดียวแต่พวกเราอดอาหารเนี่ยทดลองดูให้มีสติคือบางคนเวลาอดอาหารถ้าไม่อดใจมันปุงฟุ้งนะบางทีมิตรนอนหลับลูกเดียวนั่งภาวนาสัพเพงกเพราะมันกินอาหารอิ่มแล้วอาหารมันทับถมเพราะฉะนั้น มีทางเดียวต้องพยายามอดอาหารถึงจะทำยังไงก็ตามมันก็ยังสับพะงก์นี่อดอาหารถ้าไม่มีอาหารอยู่ในท้องแล้วความง่วงเนี่ยมันจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยเพราะนั้นอยากจะให้ท ด, ทดลองเนื่องเพราะาการปฏิบัติของพวกเราพระป่าเนี่เป็นปฏิปทาที่อดอยากนะเป็นปฏิปทาที่เร่นแค้น เป็นปฏิปทาที่รู้เท่ารู้ทันรู้กายรู้ใจเหมือนกันเถอะไม่ใช่จะรู้ใจอย่างเนี้ให้รู้กายก่อนวิธีการปฏิบัติต่อร่างกายปฏิบัติอย่างไรด้วยจากนั้นก็เอาดูใจของตนเองด้วยดูทั้งกายดูทั้งใจด้วยเพราะกายกับใจอาศัยกันอยู่เหมือนกับเราดูแลรถอย่างนั้นนะไม่ใช่ดูแลแต่รถอย่างเดียวตัวเองก็ต้องออทานอาหารอาบน้ํากินน้ําด้วย อ, อดูแลร่างกายตัวเองด้วย ไม่ใช่ดูแลแต่รถอย่างเดียวอันนี้ก็เหมือนกันเราให้ดูใจของเราด้วยใจเราคิดเรื่องอะไรใจเราหมัวหมองเรื่องอะไรใจเราหมอวเมารเรื่องอะไรใจของเราลุ่มหลงเรื่องอะไรส่วนร่างกายเราก็ดูการเป็นอยู่ของร่างกายการขับการถ่ายการนอนการไปการมาการพูดจาพาทีการคบค้าสมาคมเอากายนีย้ออกไปแต่ส่วนใจนั้นเราก็กดูดูใจของเราเอง ไม่มีใครที่จะดูใจเราได้นอกจากตัวของเราแต่ส่วนร่างกายนั้นดูกันได้อย่างหมอเนี่ยก็ดูร่างกายให้คนอื่นได้แต่จะดูใจให้คนอื่นไม่ให้โกรธไม่ให้โลภไม่ให้หลงนะไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนนั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราก็เป็นหน้าที่ของเราจะรักษาเราจะต้องรักษาเองรักษาใจของเราเองส่วนร่างกายนั้นรักษาเขาได้ ถ้าว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รักษาร่างกายเขาแต่ส่วนจิตใจนั้นไม่ให้เขาทุกข์ไม่ให้เขาโศกเราก็มีแต่แนะนำเขาเท่านั้นเองถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามเราแล้วก็เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะนั้นเราให้รู้เรามาศึกษาในครั้งนี้เรามาฝึกฝนฝึกหัดดัดนิดสัยถ้าพวกเราไม่มีการฝึกไม่มีการหัด ไม่มีการดัดตัวเองเสเลยจะเป็นบุคคลที่เลิศเลอได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เพราะฉนั้นที่พวกเราจะประเสริฐเลิเลอได้ต้องฝึกหัดดัดตัวเองอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่ท่านไปอยู่ในป่าโดงพงไผ่ท่านไปฝึกฝนพระองค์ท่านน ะ, ะถึง6ปีน่ยท่านฝึกฝนไปฝึกหัดดัดนิสัยสมัยก่อนท่านอยู่ในเวียงในวังนั้นท่านนิ ใช้นิสัยอย่างไรอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรไปอยู่ที่ในป่าหกปีนั้นท่านวางตัวอย่างไรท่านปรับปรุงตัวของท่านอย่างไรที่ท่านได้ตัดสรุธำเพราะนั้นพวกเราต้องยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินอย่างที่ผมได้แนะนํานี่ให้ทดลองดูแต่ถ้าบอกทดลองดูโอ้โยไม่ไหวผมไม่ถูกกับเจริตครับหลวงพ่อในการอดอาหารหมูหิวจริง ตาลายไปหมดเลยคิดอะไรไม่ออกเลยอดอาหารหิวเราก็รู้ป่จนนิสัยของเราด้วยตัวของเราไม่ถูกกับจริตในการอดอาหารแต่บางครั้งไม่อดอาหารโง่ว ง, งวงจริงๆแต่พออดอาหารเออใช่ความโง่ว ง, งวงหายไปหมดพิจารณาอะไรเอาสติ ส, ะสะติก็ดีขึ้นจับลมหายใจเขาออกนั้งอยู่เลยแต่ก่อนไม่จับไม่อยู่แต่บัดนี้พออดอาหารเข้าไปแล้วอเอออยู่สติของเราเข้มแข็งดีขึ้น แสดงว่ามันถูกกับจริตในการอดอาหารเราก็อดพยายามอดไปเรื่อยๆบําเพ็ญไปเรื่อยๆอดบ้างอิ่มบ้างอิ่มบ้างอดบ้างฮะอันนี้แหละคือบําเพ็ญการบําเพ็ญการเสา ะ, ะแสวงหาทางไม่ใช่ว่ า, ท ำ, ท, ำาทำยังไงก็ทําอย่างเก่าทํำยังไงก็ทําอย่างเก่าโดยไม่มีการปรับปรุงไม่มีการพิจารณาในการเป็นอยู่และการกระทําของตนเองอันนั้นแปลว่า อยู่แบบเป็นวันๆไปหาความเจริญไม่ได้คนประเภทอย่างนั้นเป็นเศรษฐีไม่ได้เพราะงั้นถ้าเป็นทางโลกนะเป็นคนรวยไม่ได้เพราะงั้นแต่แทกวันหนึ่งทําแต่อย่างเก่าผู้ที่จะก้าวหน้าได้ทําอย่างนี้เพราะอันนั้นทําอย่างนั้นเพราะอันนั้นทําอย่างนี้นมันจะจะก้าวหน้าไปอย่างนั้นผลในส่วมันก็เห็นช่องเห็นทางที่เราจะเดินไปได้อันนี้ก็เหมือนกันการ ปฏิบัติกิจภาวนาแหของพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็อย่างนั้นหรือท่านไม่ได้อยู่นิ่ง เ, เดียวดายดูดายพยายามฝึกหัดดัดนิสัยของตนเองเป็นเป็นยังไงวันนี้เราคิดเรื่องอะไรมากวันนี้มันปุ่มไปทางไหนมากวันนี้อย่างนี้ท่านดูใจของท่านดูกายของท่านดูใจของท่านถ้ากาย มันสุขสบายเกินไปมันกระทับผมใจทำให้จิตใจมันเกิดการม ก, กิเลสทับถมทางจิตใจแต่ถ้าว่าเราชำระกายดูกายของเราแล้วกายของเรามันเบาแล้วใจของเราไม่เกิดเบาไปด้วยฮมันอาศัยกันอยู่ทั้งสองอย่างกายกับใจเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่เข้ามาศึกษาในครั้งนี้ให้ปฏิบัติแล้วก็ ทดลองทดลองแล้วเป็นยังไงถ้ามันเป็นยังไงเราจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้ามันมีปัญหาแล้วก็บอกหลวงพอ่อแต่หลวงพ่อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าบังคับให้ทําไม่ใช่อย่างนั้นให้พวกเราเข้าใจนะอันนี้เป็ว่าทดลองดูเพราะว่าผมเคยทดลองมาแล้วได้ผลมาแล้วแล้วก็แนะนำหมู่พวกเพื่อน อยางพวกเราท่านทั้งหลายเห็นโดยมากก็ไม่มาฉันอาหารพร้อมกันอย่างเนี้ยอผมก็ไม่ได้เดือดร้อนผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าผมเคยทํามาแล้วการอยู่การกินเป็นธรรมดาเป็นชีวิตของพระป่าเป็นปฏิปทาที่อดอยากไม่ใช่ปฏิปทาที่ฟุ่มเฟือยเหลือเฟือเ อ, อแบบหมูอยู่นอนอยู่ในกรงกินไม่รู้จักจุดจักยัง้งอันนั้นไม่ใช่ เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะการภาวนานอย่างที่ผมได้เน้นหนักเน้นหนาอยู่เสมอว่าให้มีสติสติเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมากอย่าให้ขาดสติอย่าให้สติเลื่อนลอยอย่าให้อารมณ์เข้ามาเจยบย่าทำลายใจของตัวเองถ้าเราปล่อยใจออกไปหาอารมณ์แล้วออพออารมณ์เข้ามาดึงอารมณ์เข้ามาคนที่สุก็เลยเสื่อไปเลยนี้ เป็นคนเซอร์ไปเลยเพราะว่าอารมณ์เข้ามดเตะถีบหัวใจของเราเราก็มีแต่คิดไปตามอารมณ์นั้นทําให้เซอร์ไปเลยเพราะนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นต้องฟิตไว้อยู่เสมองั้นเถอฟิตจ ใ, ใจไว้อยู่เสมอเป็นผู้เข้มแข็งเสมอพร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์ทั้งดีทั้งร้ายอะไรทั้งหมดมาทางไหนว่างั้นเถอะมันต้องเข้มแข็งอย่างนั้นถ้าหอเมื่อเราฝึกได้อย่างนี้แล้ว เราไปอยู่ณนะสถานที่ใดถิ่นใดสถา น, นะไหนอยู่ในกลุ่มใดเราจะเป็นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสถึงจะเขาทุกข์ยากลำบากยังไงเราก็พร้อมที่จะรับได้ทุกสถานการณ์เพราะนั้นพวกเรานะทีเ่เข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติในคราวนี้หลวงพ่อเขาพยายามยัดเกียดด้วว่าแนวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนา ให้พวกเราได้ศึกษาสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าสอนใจคือนามธรรมนั่นแหละตัวนั้นแหละตัวที่มองไม่เห็นนั่นแหละพระพุทธเจ้าให้ความสนใจอย่างมากจุดนั้นมโนโปุพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนโมายามโนคือใจเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจเพราะนั้นพวกเราต้องฝึกฝึกฝนหัวหน้าให้หัวหน้า อบรมหัวหน้าเอาธรรมะเขาไปอบรมหัวหน้าหัวหน้าคือใจถ้าหัวหน้ามีธรรมะในจิตใจหัวหน้ามีเหตุมีผลหัวหน้าไม่ทะเลถลายหัวหน้าไม่ส่งจิตออกไปเอออกไปข้างนอกถลําไปข้างนอก อ, อปล่อยออกไปข้างนอกออจนเสียหลักเสียคู่เสียคนอันนั้นแปลว่าใช่ไม่ได้ เพราะนั้นท่านจึงให้อบรมหัวหน้าเอาหลักธรรมเข้ามาสมาธิธรรมศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมดูหัวหน้าฟิตหัวหน้าให้หัวหน้าเป็นผู้รอบคอบเป็นผู้มีปัญญาไปในสถานที่ใดทำงานอะไรจะน่าดูทั้งนั้นเพราะหัวหน้ามีปัญญาถ้าหัวหน้าโง่สักอย่างเธอเธอท่าท่าทำอะไรก็ผิดผิดถูกถูกไป แล้วพวกเราเป็นลูกน้องทํำไงร่างกายเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องก็เลยทําให้ดูดูแล้วก็ไม่น่าดูอีกพวกหัวหน้าเชื่อหัวหน้าโง่เพราะงั้นเพราะนั้นพวกเราต้องฝึกนะฝึกใจตัวเองให้ฉลาดรอบรู้รอบขอบเอาหลักธรรมะเข้ามาเป็นกระจกเงาส่องใจไว้อยู่เสมอนะวันนี้ผมก็ได้พูดเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลาย ได้อ่านพระวินัยให้ฟังศินส2งีที่ได้ศึกษาได้ฟังจากนั้นก็ได้พูดเกี่ยวกับเกร็ดวินัยความเป็นมาอย่างไรพวกพระ เ, เจ้าบัญญัติวินัยสาเหตุเป็นมาอย่างไรยกตัวอย่างพระสองท่านที่พระฆ่าโหงกับพระดึงทุรานะให้เก่บพวกเราได้ศึกษาจากนั้นก็ผมได้แนะนำให้พวกเราทดลอง เ, อเป็นการทดลองดูซิการอดอาหาร ศตรอุตสาหาก็คือเป็นการทดลองดูเรามีขันติมากน้อยแค่ไหนต่อไปภายภาคหน้าขันติตัวนี้จะเกิดประโยชน์สำหรับเราถ้าว่าเราเข้าไปในที่ขับขันหรือว่าทานอาหารไม่เป็นเวล่เวลาเป็นบางพลังเราก็จะไม่มีอารมณ์โมโหโทโสฉุนเฉียวจนผู้อยู่รอบข้างตั้งตังตวไม่ติดเห็นหน้าหัวหน้าแล้วก็ เห็นหัวหน้าครอบครัวเราไปเห็นหน้าหมูพวกเพื่อนที่หิวอาหาร อ, อ, อผลในสุดใครก็กลัวไปหมดไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะั้นอะมันหิวอาหารนะ อ, อ, อะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมด เ, ออเพราะนั้นพวกเราต้องทดลองดนนะออผมคิดว่าถ้าพวกเราเป็นการฝึกขัดอย่างนั้นดัดตัวเองอย่างนี้ที่ผมได้พูดให้ฟังนี้ผมว่าคงจะเกิดประโยชน์สำหรับตัวของพวกท่านทั้งหลายเองนะ การพูดในวันนี้ก็เห็นฝ่าพอสมควรนะขอจุติเพียงเท่านี้เอาวันนี้ เ, เลิกกันเลยแหละนะเพราะเราได้นั่งมานานและอีกอย่างหนึ่งผมก็มีธุระวันนี้แล้วก็อุตสามาอบรมหมูพวกเพื่อนเพื่อไม่ให้มันขาดช่วงขาดวันอย่างน้อยกว่วันหนึ่งก็ได้ยินได้ฟังตอนเช้าก็ได้ให้คําแนะนําอย่างหนึ่งตอนเย็นมาก็ให้คําแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะที น, นี้ผม จะก่อนกับผมเคยพูดให้ฟังแล้วว่าอบรมแต่วันพระเท่านั้นเองตามปกติอันนี้ก็เห็นพวกเราเป็นทรัพยากรของชาติควรจะได้รับการได้ยินได้ฟัง เ, เพื่อจะนําไปพิจารณาไปคิดทบทวนพิจารณาแต่ถึงยังไงพวกเราเบางทีบางท่านนะอาจจะเบื่อก็ออได้น ะ, อ, ะอย่าไปเบื่อนะเบืเ่อได้ยังไง ที่ผมพูดเบื้องต้นว่าถ้าพวกเราไม่อาศัยการได้ยินได้ฟังไม่ได้ถามไม่ได้คิดไม่ได้เขียนพวกเราจะเป็นผู้ฉลาดได้อย่างไรอย่าไปเบื่อนะเบื่อได้ยังไงขอยุติเพียงเท่านี้